ในาสิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนปรอกเป็นมุมของคนวิ่งหาที่ขึ้นแบบวแรัศมีสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคู่คู่คมแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเอง มปสิิว่านี้ท่านพระห้องเวส น, น, ะะนังนานติพระบตาเนวนาจักอารามรุคเกตุยานิมนุษาพพยัตขิตาเ <c oughs> นตังโคเสนานังเขมังเนตังสนณมุตตะมังเนตังชนะมะงะมะสบบุข้าปะมุตติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้คามแล้วยอม บ, บินหาที่พึ่งต่างๆตาม ที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสงอาการบวงสว i สวงหน s ไหวบอนอะไรต่างๆ น, นานาาพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเห็นวัดร้างอารามมรุกอาไอเกตยานิไป ตามเจดีร่างมากเลยว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสนานังเขมังนั้นฉะนั้นั่นไม่กเกษมฉะนั้นั่นไม่เป็นไปเพราะความทุกข์ไม่เป็นไปเพราะความปลอดภัยใครจะถึงจากอย่างไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นนี่ตาม บาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุทธันจะทำ ม, มันจะสร้างขันจะสร้ามังตะตตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธทเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาริอริยสัจจานิสมับปัญญายปักสติ ทุขังลุขสมุปปาดังลุขศสัจจะปิกมังอริยนจทัทาังยิกังมักังดุคู่ปะสมะ伽มินาผู้ในะดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากย่างก็จักใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข และพ้นทุกข์ไปโดยลำหน่ำดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสะาานาังเข่มังเอตังสนาโมตมังเอะตังสนามะามะสัมบูค้าเป็นเมตตินั่นและเป็นานะอันกเกษมเป็นานะอันปลอดภยัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่ นี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุ่นขุนมัวเสาะแสวงหาวิ่งโน่นวิ่ง น, นี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาในเวลาจําเป็นแล้วก็ทําให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้ซ้ำเหนียศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณ ถึงซุ้ม 4, สี่ซุ้มห้าันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าเพื่อทำประสงค์เป็นต้นนี่ชื่อว่าเสนอนันเกษนิจิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเหลืย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการจะฐานหนึ่งจนได้ เราจรึงอยู่ในค่ายแห่งความผู้ค้าเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจรึงจะได้หลักสานะอันถูกต้องแน่นยาเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยค ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธำ ม, มังสังขังพุทธังจะทำ ม, มังจะสังขังจะเทนังกระตกนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ธประพฤติปฏิบั ต, รตริตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสกลลกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์ บุคคลเหมือนๆกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสต่โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดหันึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบก ทุกที่เกิดกับตนให้ให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกคือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชาัดว่าว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุทฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกนี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุอันนั้น เช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุนเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนันให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาทําซ้ำซักซาคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งแลายผล ก, ก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง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 ทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะ์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้นั้นก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้เกียตาตุเกียิขันเกียติจิตใจของเราในส่า น, น, นเป็นภาชนะอันสำคัญสาหรับรั บ, รบสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืน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 รับเพราะรับกรบ ร, ร, รมอยู่ตลอดเวลาสร้างเครา ะ, ส ร, าราะสร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างแล้วจะว่าโลกธาตุมันกว้าง ม, มันก็ว่าไปังแต่ความสำคัญของจิตคําพูดที่ออกจากปากของเราเท่า น, นั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตาม หลักคำตัางสอนที่พระองค์ท่านตั้งสอนไว้ทุก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกเราเท่าภูเขาไม่ใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยเห็นภูเขาลูกไหนแลวิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข่มีไหม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 ก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้จะทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้นิบากกระแข็งคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวะตะ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 ในส่วนเรื่องกิจใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสําคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสักตวาพุทธรัตนงังโอสุทั้งอุตมังวังธรรมรัตนงังสังฆรงัตนังโอสุทั้งอุตมังวังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจ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 มาปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรามานเพราะความไข่หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยพิเรนอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกพ ก, ท, กทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้ว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 ทำมโหสถจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแกทํารมของพระพุเทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไใดมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสําคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสม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 ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหาโรคหาทางหาโรคไม่มคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอโสถอยู่แล้วก็เป็นที่หน้าอนุโมทนาและพยายามบําเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อว่าเป็นการรักษาตน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 เพราะเราอยู่ในถ้ำกลางแห่งกองทุกจะไม่ให้เกิดทุกภายในบุคคลในสัดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกอยู่แล้วธาตุขันเหล่านี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียรยารักษาเราจริงจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เนี่นี่เราก็พอทราบได้แล้วเครื่องแบงนี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่อง บำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำบ้านการลวรอนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ต่างการนรึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงปิตใจจนเสียการเสียหนาแ้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลาย ท, ท, ทั้งทั้งที่เราทํางานอยู่เรายังเรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัดคิดทำคือพุทังธรรมังสามังภายในปิตใจของเราไม่ได้นี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำบุงน้ําใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่ปิตใ จ, จสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่ปิตใ จ, จ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 แต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกาลังบางั้งเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่ใ จ, ใจิตใจมีรู้สึกจะมีอยู่มากแต่หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมสัยะมากกว่า ที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟธรรมะกิเลสนั่นแหละคือเชื้อไฟอันสาคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสําคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ําคืออัดคือทำคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้นี่ เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอด้วยทางด้วยสติปัญญาพอที่จะประครับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอยากให้เสียดีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์ เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนีเดียกวกับเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราจะให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่าด้วยการประพฤติก็โปลทุกมาเผาลมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ไหนอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุข ดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สอบแสวงหาโดยทางที่ถูกความถูกจะเป็นขึ้นที่จิดใจของเราเองมีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่ที่ที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่พึ่งที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่ก่ามัน ในบททําเบื้องต้นซึ่งเลยพูดกันก็ทองเวสนาณยันติการสอดสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสดงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงเลยแนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สอง ทางเป็นความผูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะทำมันจะสังขัญจะแรงกระโดแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทําทั้งสี่ตันี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีมาทุ่งเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันคเสงพราะรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภ า, ายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์ คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอศัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นชณะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชา ไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสั์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหาคนที่ระลึกดีชั่วด้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทาถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนันเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขณนะที่คอยทำนายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็ถึงโทษ ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์มังเถรวัตรนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิปิเปตียนลบล้างศาสนาคือศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาศูนไปจากโลกไ ม, ม่ให้มีด้วยความทาคัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีอยูภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจากให้บุญให้บาปสิ้นหายไปนั้น หมกประจากใจผู้นั้นแล้วผู้ที่จะหากระกองทุกข์ทั้งทๆที่ลบล้างทุกข์เนะ่ก็คือใจดวงนั้นเดี๋ยวย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติรอบของตอนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นวานีคือใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง เท่าสิจิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายท่านแหลเป็นเครื่องก่อขวัวงเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นอันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการเจาะเสแสรงหาที่พึ่งให้ท่านทั้งหลายฟัง ทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาประปฏิบัติสอะแสดงหาที่พึ่งของตนภายใน จ, ใจิตใจหะไรที่พึ่งอันเหมาะสมอ่ ไ, ไที่พึ่งอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอทิตฐิทำเพียงเท่านี้